มีแม่ใหญ่คนหนึ่งมีลูกสองคนคนหนึ่งก็เป็นช่างตั้งหมอ้ออีกคนหนึ่งก็เป็นชาวนาเวลาฝนตกหนักติดต่อไปหลายวันแกก็มีความทุกข์นะเพราะว่ามิถรีลูกที่เป็นช่างหมอ้อ มไม่มีแดดเตีนะตเนะเยาาาาตาห ม, ม้ตอามตาดอะได้ก็เป็นบ่วงรูกรูปเพื่อทำอาที่ลําบากเวลาฝนแรงฝนไม่ติไม่ตกไม่ตกสป็หลายวันก็เป็นทุ่นะก็เป็นบ่วงรูปที่เป็นอาวนานไม่มีน้ำปลูกข้าวแล้วก็ มีความทุ่มไปวัดก็ไม่ได้ไปทำบุญเพื่จิตใจท่านชื่อดุจบานตอนนีงหลวงพ่อก็เลยถามว่าทำไมถึงหน้าตาหมหมองในใหญ่ก็ลาให้ฟังว่าเพราะอะไรคนตกก็นึกถึงลูกที่เป็นช่างต้านหม้อจะลำบาก ฝนไม่ตกก็นึกถึงลูกที่เดินชาวนานะถ้าเป็นเราถ้าเป็นหองพ่อจะได้นายังไงจะได้นามได้่หญ่เปี น, น, น, น, น, นยังไงหลพ่อให้เราได้นาว่าก็เวลาฝนตกก็ให้นถึงลูกที่เดินชาวนานะเวลาฝนไม่ตกก็ให้ถึงลูกที่เป็นช่างปั้นหม้อ พอแนะนานาี้แม่ใหญ่ก็หายทุกเลยเวลาฝนตกก็ถึงรูกที่เป็นชาวนาก็เออดีนะฝนตกนะรูปที่เป็นชาวนาที่จะได้ปลูกข้าวได้มีนาไปปลูกข้าวเวลาฝนไม่ตกรูปที่เป็นให้ถึงรูกที่เป็นช่างเปิหม้อก็มีแดดก็ตากเอาชาเอาหม้อเอาหายมาตากได้แค่นี้แหละ ในายใหญ่ก็รกกงางน้น่าจะยิ้มได้เนาะมาวัดก็ทำบุญที่จิตใจใช่างชื่อใจจริง ท, ที่หลวง่อแนะนำนี้ก็ไม่ได้แนะนำหลายมากนะก็แนะนำให้ฉลาดในการมองก็าคนโตไปนถึงลูกที่เป็นช่างตันมอนก็กทุกข์เอะนร่ยแต่เวลาคนโตแล้นถึงลูกที่เป็นชาวนาเลอยอ ก็สบายแล้วต้นหนังบนเราคือว่าเรามองให้เป็มถ้ามองให้เป็มหรืฉลาดมองนี่ก็อะไรเกิดขึ้นก็ยินได้ทั้งนั้นฝะนตกก็ยินได้ผลไม่ตกก็ยินได้นะเพราฉลาดมองเหมือนกับหลานหลานสาวหลานที่เป็นเด็ก ยายให้ไปหุงข้าวสมัยก่อนมันไม่มีหมอห้อไฟฟ้าก็ต้องหุงข้าวด้วยหม้อดินนะแม่ออกหลายคนมาคมผม ม, มาแล้วนะอาตมาให้ไปหุงหม้อดินแต่ผมโดยใช้ขามมีเคยทาประจำเด็กน้อยไม่เคยหุงเพนั้นเนี่ยหุขขขง ข, ข้าวไว้แล้วครั้งแรกพบว่าข้าวไหมเด็กมา ก, ก็เสียใจย นะยายก็บอกว่าโอ้ยมันธรรมดานะก็ข้า ม, มได้ไฟนะมันก็ต้องมีไมก่อนต่อม า, าต่อมาเดมาหุ่งอีนะอกปรากฏว่าข้าวแฉก็เสียใจมาบอกอยา ย, ยายก็บ อ, อยธรรมดานะก็ข้า ม, มไม่นาน จิงมแล้วถ้าเรามองนี่เออมันก็ธารมดาแล้วคนเรานี่นะต้องฉละในการมองนะนี่เรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็แม่ก็กาลังทาครัวอยู่อันนี้ก็หลายกีแล้วนะสมัยที่การทาครัวก็ยังต้อง ม่เหมือนสมัยนี้ทําตัวเสร็จบก ว, ว่าน้ามัน้น้มันมน้ำน้ปลาไม่มีน้าปลาไม่มีก็ให้ลูกไปลูกชายคนโตไปซื้อน้อปาปลาลูกชายก็รีบวิ่ไปที่ร้านซื้อขวด น, น้ปาปลาได้ซื้อน้าปลาได้ขวดก็รีบมาอบอกกว่าสะดุกขิงน้นงปาปลา ควน้ำตาลหลุดมือปกไปขึ้นหนึ่งก็กลับมาบอกแม่ว่าแม่วันนี้แย่จ้งโชคไม่ดีนะน้าตาลหกไปขึ้นหนึ่งแม่ก็ไม่ว่าอเไยอธิต่อมาแม่ก็ทำโครย์นะบากว่าน้าใหม่ก็หมดไม่ให้น้ำใหม่ให้น้ำใหม่ซีหลหมดซีหลหมดก็ให้ลูกชายคนที่สองไป ไปซื้อตู้ทายก็รีบนี้ไปนะไปที่ล้างซื้อมาได้สีเหลืขวดนก็รีบมาบอกว่าไปสะดุดหลุมกลางทางขวดสีรหลหลุดมือตอนที่คว้าด้านก็หกไปครึ่งหนึ่งเหมือนกับคนแรกเลย แต่พอไปถึงบ้านไปบอกแม่ว่าเนี่ยวันนี้เมื่อกี้สะดุดหลุมนะแต่ว่าโชคดีนะความาได้ทันมีน้ำตาตามีสีอุ่นเดี๋ขึ้นเด็กสองคนนี่เจอเหตุการณ์้ายกันคนหนึงบอกว่าแย่กางโชคไม่ดีน้ำตาเหตุจขึ้นแต่คนบอกว่าสะดุดหลุมนะแต่ว่าโดี ว่าสีรุได้ทานมีสิรุเบิขึ้นคนหนึ่งบอกว่าโชคดีดีที่คนนึงบอกว่าโชคดีต้างให้เจอเการทายกันเะอะคนแรกหมองมนนะน้ตาลตกไปคึ่งหนึ่งแต่คนที่สองบอกโชคดีที่สีรุเหลืออยู่ขึ้น เราบาีไม่รู้จักมองนะเหตุการณ์เหตุการณ์เียวการนีจะมองว่าแย่ก็ได้จะมองว่าดีกันนะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไรหรือฉลาในการมองหรือเปล่าก็ยกสามเรื่องมาให้ดูนะมาเป็นแง่คิดว่าตัวเราเองเนี่ย เป็นคนไหนนะเราเป็นเหมือนกับแม่ใหญ่นะที่เวลาฝนตกก็จะถึงรูปที่เป็นช่างหมอหรือเปล่าเวลาฝนไม่ตกก็จะถึงรูปที่เป็นชาวนานหรือเป่หรือว่าเราเป็นเป็นเหมือนเด็กลูกชายติมโตนะที่สรุุจริงก็บอกว่าโชคร้าหรือเราเป็นลูกชายคนที่สอง ก็บอกว่าโชคดีคิว่ามันเป็นเลือดเล่านะแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาคิดกันได้จริงๆมีชายหนุ่มคนนึงกลเป็นคนที่น้ำใจดีชอบไปช่วยเหลือชาวชนบทที่เหลือรอในจังหวัดที่ธุรกันดาลมีเะลาว่างก็ไป ได้กลัวคว า, ามลำบาครางก็ชวนนักศึกษาไปทาค่ายช่วยเหลือเด็กยากจนใน จ, จังหวัดแม่ฮ o n สองเสร็จก็แกก็่างกลับแม่ฮ o n สองเนี่ยมันมีมันมีโค้งเยอะโค้งพันกับโค้งระหว่างที่ลงเขาวพราะว่ารถเนี่ย รถตูต้นะมันตกลงจากเขาอลงก็ไปกระแทกกับพื้นล่างก็สักประมาณสักยี่สิบเมตรระหว่างที่ลงลอกที่พระตกมาจากเขามี่แกว่าลึกในใจว่าขอให้เด็กๆนักศึกษาที่แกทำมาปลอดภัย พบาว่าทุกคนปลอดภัยผมเลยยั่ไม่ัวแก่แก่ที่เป็นอัมพาตชึ่นตัวตั้งแต่เอวลงไปก็ปคล้ายๆกับชายกำพลแต่แล้วคนที่ตั้งแต่คอตอนที่อยู่โรพยาบาลเพื่อนๆก็มาเยี่ยมหลายคนก็มาบูดตัดคอไม่ได้ตัดคอแก่นะแต่จะตัดคอ เรื่องกรรมก็ได้บอกว่าเนี่ยอุตสาห์ทําดีขนาดนี้ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เนะี่ยเหมือนกับจะพูดว่าทำดีทำไมไม่ได้อยู่ทำดีทำไมเจอร้ายนะก็คนที่มาเที่ยก็ต้องเสียใจแล้วก็เกิดความเรียกว่าไม่เกิดความควานแคลนในเรื่องความดี ทำไรทําดีไม่ได้ดีแต่ว่าชายหนุ่มคนนี้แกก็แกก็พูดปลอบใจจะไม่แกไม่ทุบด้วยนะตลอดเวลาที่รักษาตัวก็ไม่ได้ทุบอะไรแต่ก็พูดปลอบใจเพื่อนเพื่อนที่เยี่ยนหรือพูดให้ เ, เตือนสติก็ได้บอกว่าซอเพราะทำดีนะเซถึงรอดมาได้ขนาดนี้คือรอดมาได้ขึ้นตัว ถ้าไม่ทาความดีไม่ทาามํทาบุญกุศลก็อาจจะตายไปแนละ้วนอันนี้คือเป็นวิธีการมองนะคนที่มาเยี่ยมก็มองโอ้ะนะเป็นอธภามพาถึงขึ้นตัวทำไมทาดีต้องมาลงระดาบนี้แต่ว่าชายหนุ่มคนนี้จะมองว่าเนี่ยเขาทาดีเสร็จถึงรอดมาได้ขึ้นตัวคือว่ายัง ตั้งไกลครึ้ น, นม่งก็ยังทําอะไรได้ปกตินี่จะมองแบบตะลแสแทนที่จะมองว่าแก้วน้ํามันมน้ำ ม, มันหายไปครึ่งนึงแต่เรามองว่าโอน้ํามีมีตั้งครึ่งหนึ่งคนบาคนเห็นน้ําห็นแก้วมีน้ำครึ่งหนึ่งก็ได้แต่มองว่ามันร่องไปครึ่งนึงแต่คนทลายก็มองเออมันมีอีกครึ่งหนึ่ง ดีที่มันไม่หายไปหมดทั้งแก้วคิดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการคิดหลอกตัวเองนะแต่เป็นการมองคนเราเมือ่อทุกข์เพราะเป็นมัวแต่มองสิ่งที่เสียไปจะไม่มองว่าเรายังมีอะไรเหลืออีกบ้างหรือเรายังมีอะไรอีกบ้างคนที่คิดแต่ว่าเสียอะไรไปจะมีแต่ความทุกขนะ์เงินหายไปโทรศัพท์หายไปสร้อยหายไปมีทุกข์ แต่ถ้ามองว่าโอ้ฉันยังมีอะไรอยู่บ้างก็จะพูดว่าโอ้ไอสิ่งที่ฉันมีนั้นมันยังมากมายกวสิ่งที่เสียไป <c oughs> เงินที่หายไปแค่สามสี่ร้อยบาทพันสองพันแต่ว่าเงินที่ฉันมีอยู่มันมีเป็นหมื่นเป็นแสนก็จะเสียใจเปานกำลังมันเทียบกันไม่ได้เราควรจะดีใจที่เรามีเงินเยนอะแยะอีกไม่ควรเสียใจในสิ่งที่เสียไป ถ้าเราฉลาดในการมองสิ่งที่มีมากกว่ า, ามองสิ่งที่หายหรือขาดไปเราจะมีความสุขนด้งมาและเราก็เตรียมรับผ่อ